เพิทมเตต่อเลกหน่อยเนาะอย่าเบื่อนาย น, นะแต่ยกงดโพกอย่าเบื่อานายต่อคำสั่งสอนขี้เกียจทำตามลำลี้ลำใดหลวงพ่อเนี่ยเจ้าพูดอยู่ทุกวันไม่ดีนะไอเจริาบปากแก่ท้องทนควบม อ, อยากไม่ได้ เพื่เพ ร, เร่อในกรรมคุณทายาทยานจากเห็นโลกมีอะไรก็อยากทำเหมือนเขาไม่เจริญต้องเอาชนะให้ได้เรามาทำกรรมฐานกรรมฐานถึงจิตถึงใจศักดิ์สิทธิ์ถึงเนื้อถึงตัว ทำได้จริงจริงอะไรที่มันไม่ดีทำให้มันดีขึ้นมาเตืนเช้าขึ้นมาล้างหน้าหน้ามันไม่ดีเปิดเพื่อนมาสิบกัาชั่วโมงแป้งฟันฟันมันไม่ดีให้มันสาดอะไรที่มันไม่ดี เจ็บที่นอนหอนงุงมักมอมาหลายวันแล้วเจ็บไปขอตากขอตากขอซักขอซักเหอะมันไม่ดีท้าที่เจ็บไปดานนานไม่ขวดไม่เคลื่อนไหวหนูมันรู้งูมันรู้ว่าสิ่งนี้ไม่มีการเคลื่อนไหวมันจเมออยู่ หนูจะมาทำลังงูจะมาขดอยู่ได้กองกระดาษแตเดี๋ยวมันก็ัดตายแต่ขับมันรู้นะเดี๋ยวว่ามันไม่รู้นะพวกสัตว์พวกเนี้ยเราอยู่ป่ามาใช่อยู่ในเมืองบ้านเราก็ไม่ค่อยดีงูเข้าไปได้หนูเข้าไปได้ทุกแกเข้าไปได้ บางทีไปหาอาหารออจินไปวางไว้หนูไม่ได้กินหาจีนกินอี้แล้วมันก็สนอกนอนอยู่ที่นั่นเมื่อหนูมานอนอยู่ที่นั่นงูมันรู้มันได้กินมันเลบลิ้นหาจินมันได้กินมันก็โอ้ดี่ีมีหนูมันก็ขึ้นไปไปเจ้าของไปเลยเราอยู่ก็ถูกงูกัด การดูแลสิ่งที่ไม่ดีให้มันดีขึ้นมาหรือว่ากรรมาฐานจะมาทําแต่ยกมือเคลื่อนไว้ให้มันทั้งปวงการไม่ทําบาปทั้งปวงนั่นนทั้งหมดอะไรที่มันไม่ดีนอกจากกายเราแล้วพราะุอื่นสิ่งอื่นมันไม่ดีทําให้มันดีขึ้นมาแค่คํา ไปเห็นต <ítulo> anyway, ้นไม่หยวแห้งหดนะมันเล้งให้น้ำมันมันก็ดีขึ้นมาสายยางเขาพับไว้ไปเคียร์ออกให้มันดีเพราะสายยางมันไม่ชอบเป็นคนไปพับมันเขาชอบไปเคลียร์ มันจึงจะทนสิบปียี่สิบปีได้ถ้าให้มันพับอยู่ก็แตกได้สายยางอย่าไปม้วนขึงไว้ยาวๆโค้อองไปไกลอย่าให้ม้วนรับไปกับมาหักแตกใช้ได้ไม่นานเ <c oughs> ยอะแยะเลยบางทีเอารวดทงเพียกผ้ามัดใส่ต้นไม้ไ้ สิบปียังไม่แก่รวดรัดลงไปตอนไม่โตขึ้นมาตายไปเลยต้นวัยบอดเปือกวัยตายลงไปเลยแค่กรรมแก้กรรมที่มันมีให้มันหมดไปจะได้บุญเป็นเป็นบุญท้อมสิ่งที่ไม่ดีให้มันดีขึ้นมาสนุกนะมันถึงไม่ถึงมือจริงๆเห็นอะไร ไม่ดี <c oughs> เครื่องใช้ไม่สวยไม่ดีเฮ่ <c oughs> ท้างห้นปนีขึ้นมา <c oughs> ของหลายมือก <c oughs> <c oughs> ับรถกับร ถ, บรถดูมีน้ำมันไหมน้ำมันเครื่องแห้งไหมกี่กิโลแล้ววิ่งมาเนี่ยถ้ามันเกินก้าห <c oughs> นดก็เปลี่ยนซะ <c oughs> เปลี่ยนน้ำมันน้ำมีไหมก็ดูให้มันดีอะไรที่ใช่ลงไปให้มันดีเมื่อเราใช่เชิงไหนให้มันดีจึงจะเป็นการไม่ทำบาปั้งกวงให้มันก่วงขวงตลาดบุญมีเยอะไม่ใช่จะมายกปือว้อยอย่างเดียวเลี้ยวะไปหมดเลยใมันค่วงขวงกับมฐ า, านไม่ใช่แคบๆแล้วทั้งหมด ไม่ยทำบาปทำพวงโอ้ยดำไปท้วนตัวเองก็ไปทำแก้คนอื่ น, ค น, นคนอื่นทำไว้เราไปแก่สนุกแก่ดีก็ใช้ห้องน้ำสกปกเราเข้าไปเสนุกแก่ให้ประชดทำไปอย่าไปรังเกียดทำสิ่งไม่ดีให้มันดีนะ่ะถ้ามันเป็นบุญ เขาต่ไปภูเขาทองเขาปอยน้ําลําปะทาวเข้าไปในวัดเราคุยว่าน้ําวัดภู้เขาทองดื่มได้ทุกก๊อกที่ไหนได้เขาปล่อย <laughs> น้ําแต่ก่อนมัน <I am S 1> ใช้น้ําลําปะทาวชาวบ้านใช้กับเขาวันศกปกวันนี้เราเจาะน้ําใหม่แด้น้ํำดีปิดไ ป, ไปให้ใช้ ไคไปก็บอกอ่าปิดจะเปิดน้ำในีเขวัตนที่ไหนล่าเราไปเมื่วานน่ะไปดูแล้วก็เปิดเข้ามาเมื่อไหร่ไปดูกินน้ําลำป้าเทาไปเห็นเราเห็นพระมาเกาะก้นน้ำนะก็หยุดน้ํามันนโอ้เราไปกินถ้าไมน้ําลําป้าเท้าน่ะสัมงพ่อองฉันเสียบอกแฉลบเออแล้วก็เปลี่ยน ล้างโอกงน้ำล้างหมดตั้งคืนเห็นไม่นอนเลยปล่อยน้ำาท่งสูบน้ำล้างทองไม่ไหวเรียกประปูขอทองพระไปช่วยทำควบสอาดอีกนั่งมันเพราะอะไรเพราะเราเห็นแล้วมันดูอะไรไม่ดีเราทำทำไม่ไหวก็ชวนเพื่อนทาล้างออค์หมดเลยสิบกว่าลูกทท่งมันเลย น้ำในโอ่งบอกแปลอน้ำโอ่งมาชิ้นอย่ามาเอาน้ำก๊อกสิโอ่งก็เหม็นทำไมล่ะหนูตายสิเอาอีกแล้วล้างโอ่ง <laughs> เอาวันนี้งานโยธานะขึ้นแจกคำว่าดีแหละช่วยกันล้างโอกนงอกน้ำล้างโอ่งน้ำเราไปดูทงโครงขวบเหม็นถื่มเลยนี่แต่ขี้หนูโอโกรพรัด สุก็โตไปล่างช่วยก uh, ันที่นเสร็จเลยเรียบร้อยคือกรรมฐานกรรมฐานเนี่ยโอ้ยพอใจแลยมาดูแลตัวเองในีพอใจแก่กรรมทำทำตันกรรมทำทำตามทันเอาทามปับแก้อะไรมันตัวเองทำเองแก่มันหลงแก้ ตามทันยังไม่ลึกขอจะเป็นรยบาดมันหลงแก้มันทุกแก้มันโกแ้แก้ไม่งานอยู่แบบได้จนได้ความดีมันหลายเลยแก้กรรมคันลูกกรรมกรรมเบาบางละหูกรรมกรรมหนักอโหสิกรรมกรรม่งเคินกับได้ ฮัลโหลกาตตะกรมกรมไม่มีผลอุกกฤษกรมกร ม, มรกรรมทำตามกรรมทับตามทันอะไรกรรมที่มันมีเยอะๆนะอุกกฤษกรรมกรรมบีบคั้นทนไม่ได้ถึงข่าวทำอะไรมาไปทำอะไรมาไปกินอะไรมา <c oughs> ไปทําผิดเลยมาตามทันเข็นเล่าเลยเรองบุหรีเเละกรรมทำกรรมตามทันเป็นโลกเถอะวันนี้เราป่วยไปใช่วันนี้มันมาจากวันก่อนเราใช่กายใช่ใจผิดวันนี้เราโกรธไม่ใช่มันมาแต่ก่อนโนนเป็นจริตป่าโทสะจริตใช้ชีวิตผิดพลาด อันนี้เลยว่ากรรมตามทันเมื่อมันมากขึ้นมากขึ้นก็สะสมไว้ก็ตามทันตามทันแล้วก็บีบขั้นต้องยอมตายโลกมาเร็งตับตายเลยทีเดียวกรรมบีบขั้นงั้นอยู่กับการกรรมของคนเลิกษะเลิกสุบุรีนายกวําบนะัดเนา สอบปุ่ดดีไหมแตกอะไรก็ไดกเข่งงานอะไรก็เป็นอย่างนี้แหลยนะไม่ใช่เราไม่มีงานนะทุกคนมีกรรมมาแล้วกรรมเป็นเกิดปัมแต่ที่พึ่งอาสัยกรรมเป็นของของตนเราจะมาทำเนี่ยมันถึงจิตถึงใจกรรมฐานเนี่ย อ้ยมากมายฮะมากต้องทำอยู่ตลอดเวลายิ่งพอเราอยู่ร้อยๆชีวิตลรงคนก็บาทเราแค่สนกแค่อะไรไม่ดีก็แค่แค่ช่วยกันคนหูงข้าวหูงข้าวมันมีกร ม, มันหิวคนทำมาหารก็ทำอาหารไปคนปฏิบัติก็ปฏิบัติไปให้ได้เลี้ยงคนดี มีบุญ <c oughs> ทำบุญถูกที่ทำบุญถูกเวลาทำบุญถูกตัวบุคคลแล้วก็มีอะไรส่งเอาข้าวให้คนหิ ว, วกินเขาก็เยี่ยมมีชีวิตชีวาเขาจะทำความดีเอาข้าวไปคนไม่หิวกินแล้วก็ไม่มีประโยชน์เขาไม่ค่อยกิน ไปสามโมงแล้วเอาข้าวมาส่งมันก็จิตไปน่นดาไม่ถูกเวลาดังนั้นงเวลานี้ถ้าใครทำกับพวกเราก็ถือว่าถูกบุกคลถูกสถานที่แล้วกําลังหิวเอามาให้เราจะได้มีกำลังทำความดีให้เราภูมิใจผู้ปรุงอาหารให้ให้คนได้ทำความดี เราไม่ใช่โจรพูร้ลยไปทำให้ใครเดือดร้อนเราก็ทำความดีอยู่นะมันก็สนุกทำก่อนช่องกติหลังคาก็ท่องอะไรที่ไม่ดีก็ท่องจะแค่ไม่ตกกติจกกะก็พ้นลแต่ก่อนไปกติอ่าปกะติอะนะ อะไรที่พักด่างดีเดี๋ยวนี้ไม่ไดีแล้วมีแต่ขี้ทุกแกเติมไปหมดแล้วออกกร้ช่างไปปิดฝาให้ก็ไม่เรียบร้อยเปิดวายอีกแล้วแต่ก่อนเราเป็นนมเราขึ้นได้นะเอ า, าไม้ไปแปะแล้วก็ตีเข้าไปทุกแกมันออกได้เข้าได้ถ้าปิดตรองเทวันเข้ามันเข้ามาได้ แต่ก็มันอยู่นั่นแล้วแต่ต้องไปไล่มันออกตุ๊กแกไปอยู่งูก็ไปหากินตนุ๊กแกได้แล้วขี้ลงมาสก๊กเปื้อนไม่น่าอยู่ก็เชื่อกรร้าอย่าดูดายบางทีพระอาหารสมัยก่อนปะวานานากติใครชัางรุธชโ่ชมบอกผมเสื่อพระ คีบอมันขาดมันจะย่อมบอกบอกผมจะปะให้จะย่อมให้อธิการกติอธิการเจ้านาสนะอธิการอะไรต่างๆนับใช้ให้มันกว้างขวางก็ผมใจนะเราจะทำความดีเปลี่ยนสิ่งที่มันไม่ดีให้มันดีขึ้นมา ยิ่งมาเปลี่ยนตัวเรานะ่ะมันมันหลงเปลี่ยนหลงไปรู้เนี่ยวดีที่สุดรอยสองผัดความรู้ดานเข้านานเข้ามันก็มันก็นกแค่บาปห้นบาปขิดบริสุทธิ์ได้จึงเป็นเรื่องที่ไม่น่าเกลียดค้าน ตามความดีแล้วของชั่วนะ่อมันเป็นหน้าที่ธรรมะคือหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ให้มันดีทุกคนถ้าเราทำดีทุกคนเราก็เกิดผลดีรวมกันเป็นสวรรค์เป็นนิพพานในโลกนี้ในแผ่นดินนี้ขึ้นมาทันทีต่างคนต่างแค่ <c oughs> นับหนึ่งจากตัวเราอันก็นก็เป็นไปได้เป็นปัจเจ ก, กบุคคลพุทธศาสนาเกิดจากปัจเจกโฉดขึ้นหนึ่งสะก่อนหนึ่งคือพระพุทธเจ้าเห็นความเกิดความแจความเจ็บความตายเป็นโฉดชีวิตของสัตว์โลก จะต้องนับหนึ่งเราจะต้องศึกษาเรื่องได้หาคำตอบเรื่องนี้ให้ได้จะแก้ต่างเรื่องนี้ให้ได้ต้องมีทางแน่นอนสุท ธ, ธะคิดขึ้นมาก็หาทางแก่ก็ได้พบทางแล้วก็เป็นศาสดาเอกในโลกเท่าทุกวันนี้ มาถึงพวกเราเนี่ยนับเดินปิเจกะชนบุคคลคนเดียวเกิดขึ้นมาก็เป็นประโยชน์ต่อโลกขึ้นมาเนี่ยความดีอะไรก็ตามนับเดึงจากเราเนี่ยไม่ใช่เจนกันแต่เจนกันอาจจะเสียเวลาเพระหลงพลังไปก่อนเถอะเตี้นหน้า โบกไปเลยนี่ไม่ได้บบกันหรวัดก็เต็นมอโดกของพระทีเจ้าชีวรก็ได้มรดกจากพระเจ้าปิณฑบาก็ได้รับมอโดกจากพระเจ้าอะไรที่อะไรมีอยู่ทัี่วัดนี้เป็นอานิสงมาจากพระเจ้า ถ้า ม, มีอนไรฉง <c oughs> เราก็ลําบากเราไม่จีวนเรามีอาหารเรามีบาตเรามีที่อาศัยมีมาตั้งแต่ปเจกชนคนคนเดียวที่ให้พวกเราไว้ตกทอดมาถึงพวกเราถ้าบันลําบากมันก็ไม่ได้แบบนี้เหมือนพระ ปิเกียร์มาโนบอยากปวดบรรลุธรรมแล้วปิเกียรมาโนบนสนใจเรื่องคําสอนพระเจ้าไปกราบทูลถามปัญหาพระเจ้าครั้งที่หนึ่งพระเจ้าก็เฉยถามครั้งที่สองพระเจ้าก็เฉย ปีเคี้ยวมานุปกอยากรู้จริงๆแง้วถามคั้งที่สามท่าเจ้าก็มองเออมานุปกคนนี่พร้อมที่สุดพร้อมที่รับฟังธรรมปฏิบัติธรรมตามทำสอนได้ไลยสอนเลยแสดงธรรมเร่งอะไรจำไม่ได้นะไปหาอ่านเราชีวิว่าฟังธรรมบรรลุธรรมเลยเป็นพระหันเลย อยากจะบวชจากจะบวชพระเจ้าก็บวชได้เอหิปิกุสมัมมาทาถามท่านจะปิดปิคุมาเถิดทำไม่เนี่ยเราตัดไปดีแล้วปีเกียมนุ์เป็นพระหลานก่อนมาขอบวชมีกีวรใหม่มีบาทไหมไม่มี ถ้ามีก็ไปหามาก่อนจึงจะเป็นไอหิพิขุได้แต่เป็นพระอรหันต์ได้แต่เป็นเอฮิพิขุผู้บวชเป็นพระทำไม่ไหนไม่ได้ถามกีวรมาอายันเตปโตมีกีวรหรือยังอายังสังฆาติอายันเตปโ ต, ม, ออ ต, ตมีบาทรหรื อ, อยังไม่มีนัทธวันเตไม่มีอายังสังฆาติอะ ไม่ใช่นะ <laughs> จำไม่ค่อยได้นะตัวเองก็ดูชาก็จำไม่ได้นะเคยถามเจ้าหน้ากนะกนี่ป่ากีวอนอะ่รยงนัดทีปันเตยังไม่มีบวชไม่ได้ไปหาจีวอนบาทมาใช่ก่อนไม่เหมือนสุกโตนะใครจะมาบวชจีวอนที่นี่บาทอยู่ที่นี่ใช่ไหม ได้เลย <laughs> แต่ปีเคียวมนุษย์เนี่ยไม่มีทูเจ้าคงไม่มีนะต้องแสวงหาบาทหาชีวรแต่ไม่ก่อนบงสุกุลหายากปีเคีย้ยวมนุษย์ก็ไม่ได้บวชแล้วแม้เป็นพระหันแล้วก็ยังจะบวชเป็นสงฆ์ไม่ได้ต้องไปหาจีวรแสวงหาจีวร ไปคุยเขียบางส ก, กุลที่ผ้าเขาทิ้งไว้พอดีบัวแม่ลูกอ่อนหวงโรคชนเข้าไล่ชนเข า, เขาตายเลยยังไม่บวดเลยไม่ได้บวดเลยแต่เป็นพระหานแล้วแต่เป็นสงอริยเดินสงพรัตะตะไ ต, ตไม่ใช่เป็นสงสังฆกรรมสงมีหลายแบบนะ สงสังฆทานอิมานี่ยพยายางประเทศขอถวายเจพระสงฆ์งอันนี้เป็นสงสมัยสงสังฆสงสังฆทานสงถวายรับทานสงสมาชิกสังฆกรรมบวชพระต้องมีสงห้าโรภอย่างน้อยในปัจจันตประเทศ ประเทศไปไปลายบ้านโนอกให้มีห้าูกด่างน้อยที่สุดถ้ามัชฌิมาประเทศประเทศส่วนกลางคือในเมืองต้องมีสิบูปขึ้นไปนเดยสงสมาชิกสังกรรมัมถ้าอาภารณกรรมปีส บ, บ็ดรูกยิงทำอาภารณกรรมได้ถ้าเป็นสง ปฏิฆาหกคนรับทานรูปเดียวก็เป็นสังเป็นสงได้สงพระรันตน์ตายโยมก็เป็นได้ไม่ใช่สงสมาชิกแบบนี้ปีเชียมนุย์เป็นสงพระรันตน์ตายเป็นพระอะปฏิบัติตีเป็นสงคู่แห่งบุรุษเฉียคู่สโสดาปัจมัคคโสดาริผลปีเคียมนย์เป็นถึงอรหันตผลแล้วจึงเป็นสงพระรันตน์ตาย น, นี่เป็นได้แต่ไม่ไม่สงเป็นสงแบบอเออพิกกที่พวกเรามีการบวชป่ะเนี่ยต้องผ่านต้องไม่ญานุญาโตสิมาตาปิทุหิพ่อแม่ญาตมาเ ป, ป็นปูนนวิชิติวัดโสศิอายุตรงยี่สอปีขึ้นไปนี่ประเทศบางคาเทศเนนจะมาบวช ที่สิปีแล้วบวดพระที่นี่กว่าใช่ไหมอาจารย์ก็พ่อมม่ยายก็ต้องติดต่ออาจารย์ต้มอาจารย์นวดดมอันตื้อดูก็ได้สง์ที่เป็นเอภิีภ่กูต้องมีบาตรีจีวรปีเชี้ยมนุ่มไม่บวชเลยเพราะว่าหาผ้าอยู่งูกไแม่ลูกก่อนคิดตายจะก่อน ก็มีคนคิดถึงเรืนน่องนี้ก็เลยเอาบาทมาทานให้เอาจีวรมาทานให้ก็มีนนสงส์สำหรับทุกตูเนาะมีบาทมีจีวรใครมาบวชก็ไม่ต้องไปหาบอกไปหาในทุ่ดีก็มีเนี่ก็เลยสะดวกั น, นสงจากพระเจ้าั น, นสงจากปนเกียมนุบเห็นเห็นมันเห็นมัน อาพัพตรงนี้ใครมีคนแค่โคเศเชตามีก็เอามาไว้ให้แล้วก็โตพอมีบาทก็พอมีอีวอนก็พอมีอาหารการเจียนก็พอมีที่อยู่อาศัยก็พอมีบ้างไม่พุ่มพวยเกินไปจะให้ประหยัดนะอย่าพุ่มพวยมาก คนจนทำตัวเป็นคนรวยเนี่งจิบหายคนจนทำตัวเป็นคนจนอาจจะร่บรวยได้จะพร้อมรอมลิฟต่จน้่งใจไปละมัดระวังใจชีวิตก็เหมือนกันในควรคิดก็อย่าไปคิดในควรปรุงก็อย่าไปปรุงมันชิ้นเปืองพลังงาน หัดนิดสยัยอาชีพอาชีพแบบพระพุทธเจ้าทำเช่นใดก็ทําแบบพระพุทธเจ้าเม่ตาที่คุณออกหนะ้กากรุณาออกหนะ้าบริสุทธิ์ที่คุณนําไปขวมบริสุทธิ์ใจมิยาที่คุณรู้ลอทําอะไรลงไปอย่าเชื่อเมื่ออย่าโ ง, ง่หลงงออมงายดูหน้าดูหลังเห็นคนมอง อย่าวนล็ออย่าดวนปฏิเสธได้ยินอะไรเห็นอะไรมีตาชั่งมีมิตเตอร์วางหูไว้หูเห็นจะยินทางหูก็อย่าเพิ่งเชื่อเห็นทางตาก็อย่าเพิ่งเชื่ออย่าเพิ่เชื่อพื่อหูอย่าไปเชื่อพอตาเชื่อง่ายกันไปสิบประการ ในกลธรรมชนกลธรรมสูตรสิบข้อไปอ่านในหนังสือครรวัดรก็มีมีไหมมีไหมมีนะนนอย่าไปเชื่ออะไรต่างๆง่ายๆหูเบาไม่ดีใจเบาก็ไม่ดีให้หนักไว้เป็นศรรริลาศิลาคือศีน หนักแน่นไม่ปิวเอินทอเฉรนเฉิญไม่ปิวง่ายหนักแน่นเอาไว้หัดมีสติเนี่ยก็แล้วของชั่วหนักมีสติก็ทำความดีหนักไปมีสติกิตบริสุทธ์ได้ฐานได้ที่ตั้งยิ่งมาทำกรรมาฐานเนี่โอยสุดยอดเลยนะสุดยอดเลย ถึงอกถึงใจทำกับมือของเราเห็นกับตาของเราสัมผัสกับจิตใจของเราสัมผัสตัวหลงสัมผัสตัวรู้เป็นอย่างไรไม่ต้องมีคำถามเปลี่ยนหลงเป็นรู้เปลี่ยนทุกข์เป็นรู้เปลี่ยนโกรธเป็นรู้อะไรที่มันปุง้งยุดมั่นใจ เหนขับรถยุดเบรกบทันทีไม่ต้องปั่นถ้าเบรกไม่เป็นก็ตกขูดตกเขาก็ชนกันยีดแล้วก็เหมือนเฉลยอนอันหนึ่งที่ขับเคลื่อนในวันปลอดภยัยถึงจุดหมายปลายทางถึงมุ่งถึงผลนูน้นผมหลงเพื่อไม่หลงนูน้นปลอยหลงที่ไหนไม่หลงที่นั่นทุกอย่ที่ใดไม่ทุกอย่ที่นั่น โกรธอยู่ที่ไหนไม่โกรธอยู่ที่นั่นปล่อยให้ถึงเกิดอยู่ที่ไหนไม่เกิดอยู่ที่นั่นแก่อยู่ที่ไหนไม่แก่ที่นั่นเจ็บที่ไหนไม่เก็บที่นั่นตายที่ไหนไม่ต้องตายที่นั่นหัดเอาไวให้มันชำนาญเขาบอกตัวเนี่ยมันหลงเห็นมันหลงไม่เป็นผู้หลงนอนไปแล้วมันโกรธเห็นมันโกรธออกจากครอบโกรธไปเป็นผู้โกรธปล่อยแล้วมันทุกข์เห็นมันทุกข์ ออกจากทุกไปเป็นผู้ทุกข์คนเจ้าทุกข์ปล่อยแล้วหัดไว้จะได้เห็นจะได้ไม่เป็นนะเนะี่ยเขาบอกอย่างนะี้จะให้เป็นการพูดเอามาให้เป็นการสัมผัสกับชีวิตเราจริงๆถ้าไม่ไปมันก็อยู่ตรงนี้ไม่ใครก็เจอไม่แช่โซกผูกไว้เชือ ก, อ, กอกผูกคอผูกศกปอกใส่ขาไปไว่ได ก็จะความโกรธก็ไปไม่ได้แล้วกูไม่ได่ามันกูไปยองอ่ะกูได้โกรธก็ต้องด่ามานะันอ่ะเสือกผูกเอาไว้ต้องด่ากันต้องทําลายกันเขียนฆ่ากันตอนปล่อยได้ไม่ไม่โกรธก็ได้หัดหัดให้เป็นถ้หัดเป็นแล้วมันก็จบถึงจุดหมายปลายทางถึงมรรคผลนิพพา น, น, อ, นาอ๋อนจบกับชีวิตเรา อะไรก็จบเป็นจบเป็นจด เ, เ, เป็นเหมือนพระเจ้าจแสดงธรรมชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแล้วไม่กัมเบิดอีกแล้วไม่เกิดอีกแล้วจบเฉแล้วแผ่นดินสุดแล้วไม่มีอะไรทําอีกแล้วกี่อื่นต้องทําไม่มีอีกแล้วมีเท่านี้อย่างเนี้ยเชิดมือ สะอาไดไปเลยบริสุทธิ์ไปเลยเทวปฏิเทพเกิดขึ้นกับใครก็ได้บริสุทธิ์เทพไม่ใช่สมุติเทพบังปฏิเทพเกิดขึ้นกับยาจกเข็นใจก็ได้ถ้าเราทำให้เป็นนะ บริสุทธิเทพเกิดขึ้นในแตความบริในความจกปกเกิดบริสุทธิ์ขึ้นมาเริ่มจากหลงเป็นรู้มันถูกต้องแล้วเป็นธรรมหรือทุกเป็นไม่ทุกเป็นธรรมหรือโกรธเป็นไม่โกรธเป็นธรรมแล้วเนี่ยมันทําได้แบบนี้ <c oughs> ยิงเรียกว่า <c oughs> กรรมาฐาน <c oughs> จักจิต <c oughs> น่าจะมีเต็มบ้านเ <c oughs> ต็มเมือง แม่บ้านกรรมฐานพ่อบ้านกรรมฐานโยชนกรรมฐานตองเลียนกรรมฐานกลุ่มครูกรรมฐานให้มีกรรมฐานทั่วบ้านทั่วเมืองเกษตรกรทรมกรรมฐานมันจะจเพียงพอเพรมัน นับหนึ่งจากทุกคนไม่ใช่เอากฎหมายไปบังคับมันเขาแช้ไม่ได้ความโกรธนี่ไม่ใช่กฎหมายห้ามมันต้องมีสติฉับชัญญะห้ามความทุกข์ก็ต้องเอากฎหมายห้ามไม่ได้ความเกิดความแามก่ความเจ็บความตายจะเอากฎหมายมาอ่านให้ฟังมันไม่ได้ สติมีธรรมไม่เีแต่สมมุติบัญจัติกิงแบบสมมุติไม่ใช่ปรมัจักรโลกนี้มันมีปรมาจักรไม่ใช่สมมุติบัญญตัติสมมุติอยู่ที่ไหนมีปรมาจักรอยู่ที่ น, นั่นก็ไม่เที่ยง ความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนมันความไม่เที่ยงเขาจริงแบบความไม่เที่ยงแต่มันไม่จริงแบบความเที่ยงมันก็มีจริงอยู่อย่างนี้ความไม่เที่ยงมันไม่จริงแบบความไม่เที่ยงมันจะไม่จริงแบบความเที่ยงอนความไม่เที่ยงเห็นสองธาจะไป ให้ <ài> Spanish, ม own, are evil, are ันไปทุกข์ไปโทษตัวในความไปเที่ยงมันเป็นอย่างนั้นความเป็นทุกข์มันก็จริงแบบควมไม่เป็นทุกข์มันไม่จริงแบบคมมันเป็นทุกข์เห็นชัดเกนคมไม่ใช่ตัวตนมันก็เป็นความไปเที่ยงแบบควมไม่ใช่ตัวตนแต่มันไม่แต่มันเที่ยงไม่ได้แล้วก็ไม่เป็นทุกข์ถ้าเราไปเห็นแบบนี้ก็เป็นทุกข์ความไปเที่ยงเป็นทุกข์คมเป็นทุกข์เป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตน ตางทังที่มันเป็นอย่างนั้นเอามาเป็นเรื่องของเราเสียใจร้องไห้เดินทุกข์อกหักอกลอยหมดสภาพไปเลยถ้าเราเห็นเรามันจะมันจะมันจะได้มีผ่านตอนนีด้วยนะเอียงไปไหลไปอยากเดียวนี้ก็อพอแล้ว เห็นความไม่ใช่ไงความเป็นทุกข์เห็นความไม่ใช่ตัวตนะเป็นทางไปสู่นิพพานเลยไม่ใช่ทุกดูดีๆนะมันมีควา ม, วามจริงแบบไม่จริ ง, ม, รงมาพบกันเห็นความไม่จริงเห็นความไม่ใช่ตัวตนมันก็ไม่ใช่ตัวตน ไม่ใช่เป็นหนังสื่อบรรจุกระเป๋าเนี่ยผู้ใดเจริญในสมรักษณะคือใตรักนี้เอียงไปไหลไปสู่มรรคผลนิพพานลาดไปเหมือนฝั่งทะเลลาดลงลาดลงนักก็ลึกลงไปลึกลงไปลึกไปถึงคืหมายปลายทางเอียงไปไหลไปสู่มรรคสู่ผนเหมือนล่มลึกลงไปเรื่อยเ จริงจริงนะเห็นรูปเห็นนามก็เห็นรูปเห็นนาวอนะเห็นไตรลักษณ์อย่างชัดเจนเคยลองให้เพราะความปลักเคยลองให้เพระความเกียดหมดเลยโอ้มันเป็นอย่างนี้เนะอ้โลกเนะ่ยเห็นรูปธรรมเห็นนามธรรมเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์กับความไปไม่ใช่ตัวตนของรูปของนาม มันถูกไอ้วงเล็บไว้แบบนี้อะไรก็ตามในโลกนี้แล้เป็นทุกข์พลังนี้อย่างไรเห็นแจ้งจางปางเพราะเั็นกังวลเหรวิปัฒนาเกิดตรงนี้นะใช่ไหมไม่ขีหฮะไม่ใช่ทุกข์เป็นทุกข์นะวิปัฒนาจริงๆเกิดตรงนี้แน่นอน เห็นรูปทมเห็นนธรทมเห็นไตลักแต่โอ้ต่างเก่าพ้ภาวะเดิมจิตใจเปลี่ยนแปลงไปจนพูดออกมาในใจตัวเองคนเดียวว่าต่นี้ไปล้าจะไม่ทุกข์เพราะกายเพราะใจแล้วจะไม่ต้องสุขเพราะกายเพราะใจเราไม่ต้องเอากายเอาใจมาให้เป็นสุขเป็นทุกข์อีกต่อไปจุดจ้าแล้ว นี่แต่ไรปัญญาอะไรที่เกิดกึ้ปไปกับใจไหนมันเป็นปัญญาแต่ก่อนเป็นปัญหารู้แล้วทั้งหมดในกายในใจเนี่ยไอ้รูปทํานามทําเอามาทําความดีเอากายมาทําความดีเอาใจมาทำความดีเอามาละความชั่วแล้วก็ไปปลอยคนอื่นให้เขาทําดีให้เขาลาความชั่ว ไปต่อไปเรื่อยๆไปจนสุดความสามารถขายายออกไปถึงกับทุกอย่างัมนมีอะไรขวางกัน้นแม่น้ำมหาสมุทรพวกเขาขวางกั้นความดีไม่ได้มีแต่ที่จะช่วยเหลือตลอดเวลาเป็นชีวิตชีวามีชีวิตชีวาอันที่ไม่เป็นอะไร ไม่เป็นอะไรเลยเหนือโลกแล้ววนะเนียชีวิตมันตกเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เป็นโน่นเป็นนี่เป็นสุขเป็นทุกไม่ใช่ชีวิตแบบนานานะเอาไปห่อยไปแขงกับสุบ ก, กับทุกไม่ใช่มันต้องเหนือเ น, นี่ยเหนือสุบเหนทุกเนี่ยคือชีวิตได้ชีวิตแล้วไม่เจไม่เจ็บไปตายเพราว่าอันนี้คนะือคุณธรรมคุณธรรม มาว่าว่าดูสิว่าเพิอมกว่าดูคุณนาะทำอ่ะว่าดูสิคุณนาะทมาแปลว่าอะไรอยู่ที่ไหนคุณนั่นแหละทำอ่ะ <şu> ไม่ใช่คนนั่นทำอะที่เป็นเป็นคุณอะไรที่ไหนเนี่ยคุณเนาะทําดีทำอย่างนี้ ลาคนชั่วคนชั่วแนีล้วซมาทําคุณน่ะทำเองเอามาทำนี่ซะคนน่ะทำใช่ไหมไม่ใช่อยู่ที่ไหนเนี่ยคุน่ะทำไม่เป็นไายชักของมันคนน่ะทำไม่ไหวไม่มีแล้วคุณไม่ทำเลยไม่ไหวแก้คุณไม่ทำเลย คุณนั่นแหละเปียนไม่ไหวเนี่ยไหว <laughs> คุณนึว่าแย่คุณนั่นแหละบอกว่ า, วาเปลียนแย่เป็นไม่ไมแย่ไม่เป็นลายสร้างหมอมันคุณนั่นแหละทาเอา้าใช่ไหมให้ใครทําหรอบอกว่าไปปฏิบัติธรรมสร้างคุณธรรมศึกษาทําคุณธรรมให้ใช่นักเรียนอบรมโอยมันไม่สําเร็จ ให้เขาหน้าธรรเองตามความชั่วทำความดีเขาห้องน้ํามันจกปกไปล้างคุณหน้าธรรเองอย่าไปเจนใครถามมาใครใค ร, ใครมาทำเา<ม>ห้องน้ําฉกปกเนี่ยไม่ต้องถามคุณหน้นาธรรมโฉกปกทำาทาสาให้ม<า>ันาซะเนี่ยเคย เขาตาเคาไปไประชุมสงฆ์คณะผู้ใหญ่ที่พุทธมนตร น, นะเขามีสุขาเคลืนที่เป็นรถตู้ยาวเลยไปใช่สุขาบนรถเคลื่อนที่ออกขึ้นไปออกขึข้นไปประตูแรกห้องแรกนี่ยเห็นคนผ่านไปผ่านไปผ่านไปผ่านไปเข า, า, า, าเกิดพอเราไปเห็นคู่ตเต็มห้องน้ําอยู่แก่เผ่า คุณน่ยทำแบอไงถอจีวอ่นอกยองยองเข้าไปไปเปิดก้นน้ำไปชอดูดดีใจตัวไปเปิดน้ำกันล้างไปล้างมาล้างไปล้างมาสาดน้ำใส่ร้อนสะอาดน้ำใส่เนี่คุณนั่นแหละทํำสะสาดเลยอยู่ที่ไหนคุณจะทำไปอ้างอะไรอ่านที่โต๊ะไหนมันสกปบมือล้างไปล้างกัน เอวังก็มีด้วยประการเฉะนี้น